ันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพ ร, รณลศาสาศนาธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มเติมกุศลสัมมาปฏิบัติแต่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนเนื่องโดยวันนี้ ท่านทั้งหลายซึ่งมีประเดจพระคุณเป็นประธานได้พร้อมใจกันมาประกอบคองการกุศลบำเพ็ญบุญสัตะมะวานคือวันครบร้อยวันนับจำเดิมแต่ท่านอาจารย์เฟื่องท่านได้ถึงแก่มรณะภาพไปแล้วนั้น เมื่อเราท่านทั้งหลายมาลำลึกถึงคุณปก า, ารหรือคุณงามความดีที่ได้บำเพ็ญต่อกันมาตามวิสัยของกตจันตูกตเวที่ตาชนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอันล้มหายตายจากไปก็ อ, อดที่จะเป็นห่วง ในวิญญาณของท่านพูดถึงแก่มรณะภาพไม่ได้แต่ความจริงท่านอาจารย์เฟื่องท่านก็เป็นพระเถระคงแก่เรียนคงแก่การปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจว่าท่านก็คงมีกุศลบุญบารมีพอที่จะช่วยตัวเองได้ แต่ถึงกันนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นสิทธยานุสิิก็อดที่จะรำลึกถึงคุณูประการของท่านไม่ได้บางทีเราอาจจะไม่คิดว่าเรามาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายท่านเพราะเราเข้าใจว่าบุญของท่านมีมากกว่าเราแล้ว เรามาคิดว่าเรามาทำบุญกุศลเพื่อเป็นการบูชาพระคุณท่านอันนี้จะเหมาะสมดีกว่าดังนั้นรวมความได้ ว, ว่าท้งคณะสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณเป็นประธานตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาแม่ขาวนางชีรวมทั้งผู้แสดงธรรมด้วย เรามาร่วมจิตร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศเป็นดอกไม้บูชาพระคุณของพระอาจารย์ที่ท่านได้ร่วงรับจากเราไปแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังทรงอยู่โดยพระคุณฉันใด พระอาจารย์ของเราแม้ท่านจะสิ้นชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังปรากฏอยู่โดยพระคุณเพราะเราสิทธยานูสิษย์ยอมได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระคุณท่านคุณงามความดีได้ฝังแน่นอยู่ในจิตในใจของเราโดยวิสัยของสิทธิพ่้มีความประจันอยู่กตเวที ดังนั้นณนะวันนี้เราทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันมาสแสดงออกซึ่งความกระจัญญูกตเวทีมาสแสดงออกซึ่งคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานแห่งคุณงามความดีเมื่อเรามีกตจัญญูกตเวทีสัอย่างย่งยอมเป็นพื้นฐานให้เกิดคุณธรรมอย่างอื่นๆได้ เรามาปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี <c oughs> ปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ของเราก็ดีเมื <c oughs> ่อเราได้ดบได้ดีเพราะ <c oughs> โอวาทคำสอนของท่านแล้วเรามาล้ำลึกถึงคุณโนประการที่ท่านมีต่อเรา เราก็เป็นลูกสิดกัตัญญูกะัตะเวทียอมอดที่จะลํำลึกถึงผู้โนประการของท่านไม่ได้การที่เราท่านทั้งหลายมาร่วมใจกันประกอบกองการกุศลทั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคุณงามความดีอื่นๆซึ่งครูบาอาจารย์มีต่อเราเรามีต่อครูบาอาจารย์ก็ดีจะไม่นำมากล่าวพรรณนาให้ยืดยาว <c oughs> จะวอกไปถึงพูดถึงเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานโดยตรง <c oughs> ซึ่งหลักและวิธีการต่างๆ ท่านทั้งหลายก็อยู่ในสำนักที่เป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานความรู้ตามตำรับคำราหรือหลักวิธีการต่างๆย่อมเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดนี้สำนักนี้ท่านพ่อรีได้วางรลกฐานเอาไว้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้น เรื่องหลักละวิชาการต่างๆจึงไม่จำเป็นจะต้องนามากล่าว <c oughs> จะขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าหลักของการปฏิบัติกรรมฐานในเบื้องต้นที่สมมติบัญญัตในคมพีมีอยู่สองหลักหลักหนึ่งคือหลักของสมถกรรมฐานอีกหลักหนึ่งคือหลักของวิปัสสนากรรมฐาน <c oughs> ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองประการนี้เป็นเต็นชื่อของวิธีการ <c oughs> ในเมื่อพูดถึงเรื่องสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน บางทีเราอาจจะไปยึดวิธีการมากเกินไปจนเป็นเหตุให้มีการผกเขียงกันไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ความจริงคำว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นวิธีการปฏิบัติทั้งสองอย่างวิธีการปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิ เพื่อให้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าก่อนที่จิตจะดำเนินไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้ต้องอาศัยความสงบจิตแต่วิธีการทำความสงบจิตมีอยู่สองอย่างซึ่งเรียกว่าสมถะอย่างหนึ่งวิปัสสนาอย่างหนึ่ง การปฏิบัติอันใดซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยการบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสินหรือปฏิบัติตามหลักและวิธีการกรรมฐานสี่สิบประการตามที่ปรากฏในคำพีอันนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติตามหลักของสมถะหรือปฏิบัติตามวิธีสมถะกรรมฐานจดมุ่งก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิ เพื่อระงับนิวรห้าประการอันจะบังเกิดขึ้นมาคลุ้มคลุมจิตใจไม่ให้เกิดความสงบหรือเป็นสิ่งที่เกีดกันคุณงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นและเพื่อให้เกิดมีสติปัญญารู้แจง้งแทงตลอดในธรรมตามความเป็นจริงส่วนวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาวิธีนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติ ด, ด้วยการใช้ความคิด โทที่ปฏิบัติตามวิธีวิปัสนาไม่ต้องคอยเวลาให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิก่อนเพียงแต่ว่าเราจะยกเอาธรรมะอันใดเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอาญตนะมาพิจารณาในแง่พระไตรลักษณ์คือพิจารณาน้มเข้าไปสู่ กฎของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช้วความคิดพิจารณาโดยความตั้งใจจนการพิจารณาเกิดความคล่องตัวจิตสามารถปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัติแล้วสามารถยังจิตให้เกิดมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกขาตาขึ้นมาได้ บางทีเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็นิ่งบางทีสงบลงไปแล้วก็มีความคิดถ้าจิตสงบนิ่งไม่มีความคิดเรียกว่าจิตสงบเป็นสมถะถ้าจิตสงบลงไปแล้วมีความคิดพิจารณาค้นคว้าอยู่ไม่หยุดเรียกว่าจิตกำเนินวิปัสสนา <c oughs> ทั้งสองอย่างทั้งสองวิธีเท่าที่ได้ทดสอบดูแล้ว หรือได้ศึกษาถามจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้อธิบายให้ฟังว่าในบางครั้งเราตั้งใจจะบริกรรมภาวนาพโพธิพโโพธโ์เพียงแต่จะให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิพอได้ความสบายแต่บางครั้งทำไปแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแทนที่มันจะสงบนิ่งอยู่เฉย สงบลงไปแล้วมันก็เกิดความคิดคือการพิจารณาขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติบางครั้งตั้งใจจะพิจารณาสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้จิตมันเกิดความคิดไม่หยุดแต่เมื่อพิจารณาลงไปแล้วมันเกิดความสงบนิ่งไม่มีความคิดซึ่งสุดแท้ไปจิตมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่าง เป็นนักสังเกตในการภาวนาในบางครั้งบางขณะเราภาวนาพุโิโธพุโธจะให้จิตมันสงบนิ่งพอสบายแต่เมื่อสงบลงไปแล้วมันไม่นิ่งมันมีแต่ความคิดบางครั้งพิจารณาสิ่งโน่นสิ่งนี้จะให้จิตมันดำเนินไปสู่การพิจารณาเรียกว่าเดินวิปัสสนากรรมาฐาน เสร็จแล้วมันก็ไม่นิ่งพอสองบลงไปนิดหน่อยมีแต่ความคิดไม่หยุดซึ่งมันจะมีอย่างนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นคำว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีมันเป็นแต่เพียงชื่อวิธีการเท่านั้นถ้าหากเราท่านทั้งหลายจะเป็นนักปฏิบัติสมรมฐานเพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริงขอได้โปรดอย่าไปติดวิธีการ ถ้าหากเราไปติดวิธีการแล้วเราจะไม่พบจุดจบและเราจะไม่ยุติในการถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบทนี้จะได้พูดเฉพาะวิธีการทำสมถะแล้วมันก็กลายเป็นวิปัสสนาไปเองโดยอัตโนมัติมีแบบอย่างอันหนึ่งซึ่งเคยทดลองมา และเคยถามครูบาอาจารย์มาเมีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งใจจะไปถามปัญหากับท่านอาจารย์เทศเพราะมีความสงสัยคล้องใจอยู่กับปัญหาที่ว่าสมาธิในฌานกับสมาธิในอริยมรรคมันต่างกันอย่างไรพอไปถึงแล้วก็ไปกราบท่านก็กราบเสร็จท่านบอกว่าเออดีแล้ว แจ้คุณมาก็ดีแล้วจะพูดอะไรให้ฟังผมพูดแล้วไม่มีใครเชื่อผมพอเสร็จแล้วท่านก็พูดว่าสมาธิในฌานมันเป็นสมาธิที่โงกมันรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวความคิดสติปัญญามันไม่เกิดเมื่อจิตเข้าไปสู่ฌานมันมีแต่สงบนิ่ง ไม่มีอาการแห่งความรู้บางเกิดขึ้นเรียกว่าจิตอยู่ในทานสมาบัติแต่สมาธิในอริยมรรคนั้นมันมีความสงบแล้วประกอบด้วยองค์คือมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกะขะตาเช่นเดียวกันกับสมาธิในฐานแต่เมื่อมันสงบนิ่งลงไปแล้ว มันมีอาการแห่งความรู้กุดขึ้นเป็นระยะระยะหรือติดต่อกันเป็นเรื่องยืดยาวแต่จิตมันอยู่ในลักษณะแห่งความสงบอันนี้เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคทีนี้เมื่อไปค้นดูตำราไปปรากฏอยู่ในเรื่องของลาทะภะวามในกำพีพระธรรมบท ท่านอธิบายถึงเรื่องของฌานว่ามีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าอารัมณโมปนิชฌานอารัมณนโมปนิชฌานหมายถึงจิตที่ดับเนินเข้าไปสู่ฌานในขั้นสมาบัติโดยที่ผู้ปฏิบัติอาศัยอารมณ์จิตอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกระสิงเป็นต้น เมื่อบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกะสินจิตไปติดอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหรือดวงกะสินที่เพ่งแล้วก็เกิดบริกรรมมนิมิตขึ้นมาเมื่อจิตยึดเอาบริกรรมนิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้จิตบริกรรมภาวนาอยู่เองโดยที่ผู้ภาวนาไม่ได้ตั้งใจเช่นจะภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้น ในตอนแรกๆเราตั้งใจภาวนาพุทโธตั้งใจนึกพุทโธถ้าเราไม่ตั้งใจนึกจิตของเราไม่นึกพุทโธแต่เมื่อเราตั้งใจนึกจิตของเราจึงนึกพุทโธแต่หนักๆเข้าเราไม่ได้ตั้งใจแต่จิตของเราจะนึกพุทโธอยู่ไม่อยู่และเราจะมีสติรู้พร้อมอยู่กับขนาจิตที่กำลังนึกพุทโธอยู่นั้นในลักษณะอย่างนี้ เรียกว่าการภาวนาได้วิตกวิจารเมื่อจิตมีวิตกวิจารณจิตก็มีความสงบมีความดูตื่นในภาวนานั้นเกิดปีติเกิดความสุขและสงบลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาถ้าหากว่าจิตมีวิตกวิจารณ์มีปีติมีความสุขและมีความเป็นหนึ่งอยู่พร้อมเรียกว่าจิตอยู่ในฌานที่หนึ่ง ถ้าหากวิตกวิจารหายไปจังเหลือแต่ปีติและความสุขและความเป็นหนึ่งจิตอยู่ในฌานที่สองปีติหายไปเหลือแต่สุขกับเอกคัตตาจิตอยู่ในฌานสามเมื่อสุขหายไปจิตจังเหลือแต่เอกคตตากับอุเบคาจิตอยู่ในฌานสี่จิตอยู่ในฌานสี่นี้จิตไปเพ่งรู้อยู่ที่อารมณ์อันเดียว ถ้าจิตมีดวงกสิณเป็นเครื่องหมายก็เพ่งรู้อยู่ที่ดวงกสิณไม่มีความรู้สึกไม่มีความนึกคิดอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นจิตแน่นิ่งอยู่กับดวงกสิณนั้นถ้าหากว่าจิตไม่มีดวงกสิณเป็นเครื่องหมายจิตรู้อยู่ที่จิตก็รู้อยู่ที่รู้คือรู้อยู่ในจิตแต่หากไม่มีความรู้สึก อ, อื่นเกิดขึ้นแม้แต่ความรู้สึกว่ามีกายก็หายไปหมดสิ้นแล้ว มีแต่จิตที่นิ่งสงบสว่างอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นความรู้ใดๆไม่เกิดขึ้นเอาแต่แน่นิ่งอยู่ในจุดเดียวจิตเอาจิตเป็นอารมณ์เอาตัวรู้เป็นอารมณ์หรือจิตเอาดวงกสินที่เพ่งอยู่นั้นเป็นอารมณ์อันนี้เรียกว่าลัคนู เ, เรียกว่าอารัมมณูปนิธานเป็นฌานสมาบัติ เป็นฌานที่พวกฤาษีขีไพ่ทั้งหลายเขาบำเพ็ญกันมาเมื่อเจตจำเนินมาถึงขั้นฌานสี่ต่อไปก็ก้าวหน้าไปสู่อากาศวิญญาณอาจินจัญญายัตนะเนวสัญญาณาสัญญายัตนะเป็นลำดับไปจากเม่นขอนำมากล่าวในที่นี้เพราะว่าวิสัยรูอภูมิปัญญาของผู้เทศก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นอัน ดังที่กล่าวมานี้เป็นอารมณม์นูปนิธานที่นี้ลักธิหนูปนิธานหมายถึงจิต ท, ที่มีความสงบลงไปด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นบริกรรมภาวนาข้อตามหรือจิตผ่านการพิจารณาอะไรมาแล้วก็ตามถ้าหากว่าจิตดวงนี้ผ่านการพิจารณาจะพิจารณาเรื่องอะไรก็ได้ พิจารณาเรื่องกายกตาสติผมขนเละบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นในเมื่อผู้ภาวนาตั้งใจพิจารณาไปแล้วจิตเกิดความสงบมีความสงบลงไปนิดหน่อยแล้วความรู้สึกที่จะคิดจะพิจารณานั้นได้หายไปแต่จิตยังทาหน้าที่พิจารณาเองโดยอัตโนมัติหรือบางครั้ง ตั้งใจพิจารณาเรื่องของการยกระตาสติอยู่แต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตไปพิจารณาอารมณ์อื่นซึ่งทอดทิ้งอารมณ์เดิมที่พิจารณาอยู่นั้นเสียแล้วก็ไปพิจารณาอารมณ์อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็พิจารณาอยู่ไม่หยุดในบางครั้งเราอาจจะนึกว่าจิตของเราเดินผิดทางไปเราจะให้มันหยุดแต่มันไม่ยอมหยุด มันพิจารณาของมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นกับนักภาวนาท่านใดเพิงเข้าใจเถิดว่าจิตของท่านกำลังได้วิตกวิจารเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาเมื่อจิตมีการพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติมีสติรู้พร้อมอยู่กับสิ่งที่พิจารณาในปัจจุบันปีติและความสุขจ่อมบังเกิดขึ้นแล้วความสงบจิต อันเป็นเรียกว่าเอกคัตาก็ย่อมบังเกิดขึ้นจิตยังพิจารณาอยู่และพร้อมๆกันนั้นจิตรู้อยู่กับเรื่องพิจารณาปีติก็บังเกิดขึ้นความโุกก็บังเกิดขึ้นและความสงบจิตก็บังเกิดขึ้นแต่ความสงบจิตในขั้นพิจารณานี้ไม่ใช่ว่าจิตสงบจากอารมณ์หรือตัดขาดจากความคิดความคิดอ่าน ยังมีอยู่เป็นปกติแต่จิตอยู่ในลักษณะแห่งการคิดเองพิจารณาเองมีสติรู้พร้อมอยู่เองแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความสงบคือมีความสงบอยู่กับเรื่องที่กำลังปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่นั้นอันนี้เรียกว่าจิตได้วิตกวิจารปีติสุขเอกขาตา จิตเดินอยู่ในฐานที่หนึ่งถ้าหากว่าจิตจุดการพิจารณาแล้วบางครั้งอาจจะถีบตัวขึ้นไปลอยเด่นอยู่เหนือสิ่งใดๆแล้วก็มองลงมาดูมองเห็นร่างกายของตัวเองบ้างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบ้างอยู่ในแง่แห่งความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งอาจจะมองเห็นร่างกายของตัวเองนี่นอนตายอยู่แล้วก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุกพังสลายตัวไปโดยไม่มีอะไรเหลือ <c oughs> แต่จิตดวงนี้ไปสง บ, บนิ่งลอยเด่นสว่างสวัยอยู่แล้วก็ยังมีอารมณ์สิ่งรูภปรากฏอยู่ตลอดการอารมณ์สิ่งรูภนั้นปรากฏขึ้นมา จิตก็เพ่งดูอยู่โดยอัตโนมัติแตู่้อยู่เฉยๆแม้ว่าสิ่งโลนั้นจะมีอันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจิตก็ไม่ไหวสิ่งเช่นมองเห็นความตายในเมื่อตายแล้วร่างกายแสดงความเน่าเปื่อยจิตก็โลอยู่เฉยๆ แม้มองเห็นน้ำร่างกายขึ้นอืดเ น, น่าเปื่อยผุกพังไปก็รู้เฉยอยู่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแม้แต่โครงกระดูกก็ย่อยยับผุกพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตก็รู้เฉยอยู่โลอย่างไม่มีสมมติบัญญัติโลอย่างไม่ทักท้วงอะไรเคื่อโลว่าโลบ่าตายก็โลอยู่เฉย พอเห็นร่างกายตายกายตายแล้วจิตก็ไม่ว่ามันรู้อยู่เฉยๆกายเน่าแล้วจิตมันก็ไม่ว่ามันรู้อยู่เฉยๆกายสลายตัวไปแล้วมันก็ไม่ว่ามันรู้อยู่เฉยๆเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดแล้วมีแต่ความว่างมันก็ไม่ว่าหายไปหมดแล้วยังมีแต่ความว่างหรือบางทีมันอาจจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง มองเห็นกลุ่มฟันกลุ่มหมอกอะไรอันละเอียดซึ่งบางทีถ้าผู้แก่วิทยาศาสตร์หน่อยก็จะไปนึกว่าอ๋อนี่คืออนุปรมาโนอะไรต่างๆตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ท่านเรียนมาซึ่งสุดแท้แต่จิตของท่านผู้ใดจะปฏิวัติไปในทางไหนในเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างดีจิตเป็นอัตโนมัติ จิตสามารถปฏิวัติตัวไปเองไปสู่ภูมิรู้นั้นๆผู้ที่เรียนมาทางคำภีธรรมะมันก็วิ่งไปค้นคว้าอยู่ในคำภีธรรมะไปรู้อยู่ในคำภีธรรมะผู้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มันก็ไปรู้ทางวิทยาศาสตร์เรียนรู้มาศาสตร์ไหนมันก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์จิต ทีนี้ในเมื่อมันเผยออกไปรู้ในสิ่งอื่นนอกจากครรภีธรรมะมันจะไม่ผิดทางไปหรือขอยืนยันว่าไม่มีทางผิดเพราะสิ่งใดที่เราสามารถรู้ด้วยจิตสิ่งนั้นคือธรรมะตาหูจมูกลล่นกายแต่ใจเป็นธรรมะเรียกว่าอายตนะภายในโรคเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารม ก็เป็นธรรมะเป็นอายตนะภายนอกมาติดต่อกับตาหูจมูกเล่นกายใจโลกเป็นวิสัยของตาเสียงเป็นวิสัยของหูจมูกเป็นวิสัยกลิ่นเป็นวิสัยของจมูกรสเป็นวิสัยของเล่นสัมผัสเป็นวิสัยของกายความรู้สึกนึกคิดซึ่งเรียกว่าธรรมารมณ์เป็นวิสัยของจิต สิ่งใดที่สามารถรู้ด้วยจิตสิ่งนั้นคือธรรมารมณ์วิทยาศาสตร์ที่ท่านเรียนมาก็เป็นธรรมารมณ์ศาสตร์อื่นๆที่ท่านเรียนมาก็เป็นธรรมารมณ์เมื่อจิตของท่านไปเอาสิ่งนั้นๆมาพิจรารณามาเป็นอารมณ์สิ่งรู้เมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกแล้วก็รู้อยู่กับสิ่งนั้นๆ นักภาวนาสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆคือสิ่งที่เป็นอารมณ์จิตนั่นเองในเมื่อรู้สิ่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นจิตก็รู้พัะไตรลักษณ์ความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจงความรู้ที่ผุดขึ้นในจิตมันทนอยู่ไม่ได้คือทุกขังความรู้ที่เกิดขึ้นนั้น มันไม่ดำรงอยู่ตลอดการมันไม่เป็นตัวของตัวเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปความเป็นจริงของสภาวะธรรมมันก็มีกันอยู่เพียงแค่นี้ในเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกโดยธรรมชาติของจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบเรียกว่าสมาธิ สมาธิที่ไม่มีสิ่งรู้จิตรู้อยู่เพียงสิ่งเดียวรู้อยู่ในจุดเดียวเป็นสมาธิในฐานในชานชาสมาบัติสมาธิที่จิตสงบลงไปแล้วยังมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอารมณ์สิ่งู้ของจิตนั้นมีอยู่ตลอดการ ก็สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้เรียกว่าลักคาโดปนิฐานเป็นฌานในอริยมรรคเป็นสมาธิในอริยมรรคทีนี้นิโรธะสู่ความดับโ <c oughs> กสมุทัยนิโรธมรรค ในเมื่อจิตของเราสามารถกําหนดหมายรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะที่เกิดดับภายในจิตในเมื่อรู้ชัดเจนแล้วก็รู้พระไตรลักษณ์คือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าจิตดวงนี้รู้แจ้งเห็นจริงในพระไตรลักษณ์และยอมรับสภาพความเป็นจริงกับสิ่งที่รู้ ย่อมมีสติสัมปชัญญะรูพร้อมอยู่ที่จิตจิตกลายเป็นตัวปกติจิตที่เป็นตัวปกติปรากฏเด่นทัดอยู่นั่นคือสีเลนะสุขติงยันติเมื่อจิตมีความเป็นปกติแล้วก็มีคติอันดีคือมีทางไปดีเรียกว่าสุขติ สีเลนะโปขสัมปทาถึงพร้อมได้โคขสมบัติก็เพราะศีลโคขสมบัติหมายถึงอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในสีเลนะนิพุติงยันติจะถึงความดับสนิทก็โดยอำนาจแห่งสีลเมื่อจิตมีความดับมีแต่ความเป็นปกติปรากฏเด่นทัดอยู่ นิโรธะคือความดับก็ปลากปขึ้นที่นี่นิโรธาความดับจะพึงเข้าใจว่าจิตไม่มีความคิดมันดับ ท, ทั้งทั้งที่จิตมีความคิดอ่านอยู่ดับทั้งทั้งที่จิตยังพิจารณาอยู่คําว่านิโรธะคือความดับนี่ไม่ใช่ดับอารมณ์นักปฏิบัติทั้งหลายอย่าพึงเข้าใจผิดดับความเปลี่ยนแปลงของจิต จิตมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรจิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงจุดที่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วจิตยึดพอยึดปั๊บก็เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายในเมื่อจิตเป็นปกติจิตตั้งเด่นอยู่จิตย่อมมีสีจิตย่อมมีสัจจะคือความจริงใจปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นเช่นนั้น จิตมีส ต, ติโลภพร้อมอยู่ที่จิตทุกขณะจิตมันก็เป็นสัมมาปนิหิตตังจิตตังเป้นจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วคือตั้งอยู่ในถ้มกลางลึงเลียวกว่ามัชชิมาปฏิปทาเมื่อจิตมีมัชชิมาปฏิปทามีตัวประสุ ป, ปกติปลากรเต่นชัดยู่มันก็ใกล้กับว่า เราเงี่ยหูคอยสดับตับฟังเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งจะเกิดจากภายในจิตนั้นเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาปั๊บจิตก็รู้อะไรเกิดขึ้นมาปั๊บรู้อะไรดับไปก็รู้อะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้อะไรเล่าเกิดอะไรเล่าดับก็ความคิดนั่นเองมันเกิดมันดับ แต่ความรู้สึกยินดีความรู้สึกยินร้ายมันไม่มีปรากฏความเกิดดับของอารมณ์อันนั้นมันมีสืบเนื่องกันอยู่ตลอดการไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแต่จิตมันก็ดับความยินดีดับความยินร้าย เมื่อจิตมองดูความเกิดดับของอารมณ์จิตจิตตก็รู้อนิจจังทุกขังอนาาัตตาทีนี้ถ้าหากว่าจิตเป็นปกติอยู่ตลอดการจิตดวงนั้นเป็นตัวปกติเป็นนิโลธาถ้าหากว่าสติอ่อนในช่วงใดถูกอวิชชาครอบตามเพียงนิดหนึ่งพอมีสิ่งได้เกิดขึ้นมาปั๊บจิต ย, ยึดแล้วเกิดความยินดี ความเย็นดีมีแนวโน้มให้เกิดคามตั่หาพรสิ่งใดเกิดขึ้นมาภาพเกิดความไม่พอใจเย็นร้ายขึ้นมาความเย็นร้ายมีแนวโน้มให้เกิดวิภวะปั่หาถ้าว่าไปยึดอยู่กับความยินดีดแต่ความเย็นร้ายกลายเป็นภวะปั่หานักภาวนาที่มีสติสัมปชัญญะจิตเป็นตัวศีลเป็นตัวปกติ ย่อมสามารถมองดูอารมณ์จิตในแง่แห่งพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้เด่นชัดเมื่อจิตได้เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายย่อมมองเห็นตัวสมุทยัยคือตัวตันหากำลังจะบังเกิดขึ้นมาเล่นงานเมื่อจิตเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายก็เกิดสุขเกิดทุกข์สลับกันไป เมื่อสติสัมปชัญญะดีเด่นขึ้นมีพลังงานขึ้นเมื่อไหร่ผู้ภาวนาสามารถจะมองเห็นทุกอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มองเห็นสุขเห็นทุกข์ที่เกิดจับอยู่ภายในจิตก็จะรู้ได้ทันทีว่านี่คือทุกอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ในเมื่อจิตมารู้จริงเห็นแจ้งอย่างนี้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 ก็เป็นอันว่าได้ดวงตาเห็นธรรมตามในแห่งธรรมจักกัปรวัตนสูตรที่ว่าท่านอัญญากณ์ทัญยะฟังพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมจักกะประวัตนสูตรจบลงได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดามันก็จบเก็บกันเพียงแค่นั้น การโลธรรมเห็นธรรมส่วนละเอียดมีแต่ยังกินจิสมุทะทะธรรมังเท่านั้นซึ่งท่านอาจารย์มหาบัวท่านเคยเทศว่าสภาวะธรรมทั้งหลายในเมื่อพิจารณาไปถึงขั้นละเอียดแล้วมันไม่มีอะไรมีแต่ความยุมมยิมมยุมมยิมมยุมมยิมอยู่เท่านั้นยุมมยิ๋มยุมยมยิ ม, ย ม, ย ม, ย ม, ยมของท่านอาจารย์มหาบัวนั่นแหละเรียกว่า อย่างกินจิตสมุทัยยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทีติภูตังของพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่ท่านเทศไ่าในมุตโตไทยมันก็ได้แก่ลักษณะของจิตที่ไปตั้งเด่นเป็นอิสระอยู่เรียกว่าจิต เป็นเข้าในลักษณะที่เรียกว่าอัตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตาสรนามีตนเป็นที่พึ่งอัตาหิอัตนโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนแม้จิตดวงนี้จะดำรงอยู่ใน่ํากลางแห่งสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็ยังปรากฏเด่นอยู่ไม่ไหวติง่ง มีแต่ความเป็นปกติปรากฏเด่นชัดอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบรอบจิตซึ่งเป็นไปตามคันลองของสภาวธรรมที่มันเป็นไปในลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปรากฏอยู่ตลอดการอันนั้นคือภูตังจิตตั้งเด่นอยู่เป็นอิสระเป็นถีติ สิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปไม่มีไม่รู้จักหยุดยั้งอันนั้นเป็นภูตังตามความหมายของคำว่าสีติภูตังของพระอาจารย์มัน่นเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ท่านอาจารย์เสาท่านว่าจิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิด ท่านอาจารย์มั่นบอกว่าท่านอาจารย์ปั้นบอกว่าอย่าปล่อยให้จิตมันว่างให้จิตมีอารมณ์สิ่งรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับสิ่งรู้ในปัจจุบันการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนาพูดโธก็ดีการภาวนาด้วยการพิจารณาธรรมอะอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ก็ดี เป็นอุบายวิธีฝึกขัดจิตให้มีความคิดแต่ในตอนต้นๆเรามุ่งทมจิตให้มีความสงบนิ่งเป็นสมาธิก่อนได้เป็นดีในขณะที่ท่านอาจจะนั่งบริกรรมภาวนาอยู่เช่นภาวนาโพุิโทโพธิ์โทโพุโธเป็นตน้นถ้าจิตของท่านอยู่กับโพธิโทตลอดไปปล่อยให้มันอยู่ไป ถ้ามันภาวนาผพ้โทผพ้โทก็มันไม่ไม่หยุดเราจะให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดก็ปล่อยให้มันคิดไปพธิโทของมันไปเรืยอย่าไปห้ามมันหน้าที่เป็นเพียงประคองมันไปโลมันไปเท่านั้นมันจะหยุดให้เป็นเรื่องของจิตไม่หยุดให้เป็นเรื่องของจิตแต่ในบางครั้งเรภาวนาพธโทผพ้โทไปสักพักหนึ่งจิตมันหยุด หยุดนิ่งว่างบางทีมันไม่ว่างพอหยุดสิ่งนี้พับมันไปคิดสิ่งอื่นก็ลองปล่อยให้มันคิดไปอย่าเอาแต่ดึงมันกลับมาหาพุโทโธเพียงอย่างเดียวเมื่อมันจะอยู่กับพุโทโธก็ให้มันอยู่ไปเมื่อมันจะไปคิดสิ่งอื่นหลังจากที่เรานึกพุโทโธแล้วมันปล่อยวางพุโทโธก็ให้มันคิดไป ก็พุทโธก็เป็นความคิดสิ่งที่มันคิดมาเองก็เป็นความคิดเราขณะที่เราภาวนาพุทโธอยู่เราหาพุทโธมาป้อนให้จิตแล้วก็มีสติควบคุมจิตให้มันนึกอยู่ที่พุทโธเราทํางานสองอย่างกลมกันไปแต่ถ้าหากว่าจิตนึกพุทโธนึกอย่างอื่นขึ้นมาไม่ใช่เรื่องของพุทโธแต่มันนึกของมันขึ้นมาเอง เราเพียงทำสติตามรู้มันไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเอาความคิดอ น, นั้นเป็นอารมณ์จิตมีสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นถ้าหากว่าเรากำหนดทำสติรู้เมื่อไรความคิดมันหยุดจิตเกิดความว่างดูที่ความว่างเมื่อคิดดูที่ความคิดว่างดูที่ความว่างไล่กันไปอย่างนี้ จนกระทั่งจิตมันคิดไม่หยุดก็ตามรู้มันอยู่อย่างนั้นไม่หยุดอย่างเช่นเดียวกันบางทีมันคิดไปคิดไปคิดไปตัวคิดมันก็คิดเลื่อยเข้ามันไปแต่ตัวตามรู้มันก็โลภเข้ามันเลื่อยไปและพร้อมๆกันนั้นมันก็จะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดลักษณะแห่งความสงบเยือกเย็นในท่ามกลางแห่งความคิดอันนี้เรียกว่าจิตเดินอยู่ในขั้นแห่งปฐมฌาน คือมันคิดไม่หยุดความคิดไม่หยุดเป็นวิตกความรู้พร้อมอยู่เป็นวิจาร์ปีติและความสุขความสงบเกิดขึ้นก็เป็นปีติสุขเอกขตาตามองฌานที่หนึ่งบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธถ้าจิตบริกรรมภาวนาพุโทโธไม่หยุดแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งก็จิตอยู่ในฌานที่หนึ่งด้วยบริกรรมภาวนา แต่ถ้าการพิจารณาแล้วจิตพิจารณาไม่หยุดคิดไม่หยุดแต่เกิดพิตกวิจารณ์ปีติสุกเอกะกัตตาจิตก็อยู่ในฐานที่หนึ่งในขั้นดําเนินการแห่งการพิจารณาเรียกว่าเดินวิปัสสนากรรมฐานและอีกอย่างหนึ่งปัญหาที่มีผู้นําไปถามอยู่บ่อยๆ บ, บางท่านบอกว่า พอกำหนดจิตบริกรรมภาวนาลงไปแล้วในตอนต้นๆนจิตสงบเจือกเย็นดีสว่างสวัยบางทีก็ตัวหายไปมอดยังเหลือแต่จิตตววเดียวทีนี้ภายหลังมาเมื่อทำบ่อยๆเข้าพอกำหนดจิตพูโๆพูโทเพียงสองสามคำจิตก็สงบนิ่ง พอสงบนิ่งนิดหนึ่งก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาแล้วที่นี้มีแต่ความคิดไม่หยุดจะบังคับให้มันหยุดเจะข่มให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดถ้ายิ่งคมยิ่งบังคับมันก็ทําให้เกิดโปวดศรีรษะขึ้นมามันเสื่อมหรือมันเป็นอย่างไรอันนี้มีผู้นําไปถามบ่อยๆ อ, อันนั้นจิตของท่านเมื่อผ่านความสงบเป็นสมาธิบ่อยๆเข้า สมาธินี่เซร่องมันเกิดจากศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยสมาธิเกิดขึ้นเป็นสัมมาสมาธิเมื่อจิตเป็นสัมมาสมาธิปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็คือความคิดความคิดนั่นแหละคือปัญญา ทีนี้เมื่อปัญญาอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเรามีสติโลทันก็เป็นปัญญาถ้ามีสติโลไม่ทันก็เป็นความปรุงสัง้นเพราะฉะนั้นเราจึงมีหลักและวิธีการที่จะพึงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ก็ปล่อยให้นิ่งไปเมื่อจิตเกิดความคิดปล่อยให้คิดไปแต่ฝึกทำสติตามรู้อย่าไปเอาแต่ความสงบนิ่งอย่างเดียว จิตที่สงบแต่ยังมีความคิดนี่ยังมีถ้าจิตสงบนิ่งไม่มีความคิดเรียกว่าจิตสงบในฌานเรียกว่าสมาธิในฌานเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วยังมีความคิดอยู่ไม่หยุดพุ่งๆๆๆขึ้นมาซึ่งเรียกว่าธรรมะมันผุดขึ้นอันนี้เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคทีนี้ไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะสงบได้อย่างไร จริงอยู่ความคิดมันคิดอยู่มันไม่สงบแต่มันจะสงบจากความยินดีสงบจากความยินร้ายความคิดติคิดไม่หยุดถ้าท่านปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามรู้หนึ่งท่านจะได้สติสัมปชัญญะเพราะจิตท่านมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระรึก หลักการที่สองความคิดความคิดมันจะช่วยค่อนคลายความตึงเครียดในจิตหลักการที่สความคิดเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนาาัตตาหลัการที่สขณะใดจิตของท่านมีสติอ่อนถูกอวิชชาครอบมันจะยึดยึดสิ่งที่คิดนั้นแล้วเกิดความยินดียินร้ายท่านมีสติท่านจะมองเห็นตัวกิเลส อยู่ท่านก็จะมองเห็นได้ว่านี่คือทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อท่านดูเรื่อยไปมีสติปัญญาแก่กล้าท่านจะรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับจิตที่มีสติปัญญาก็กําหนดรู้ทุกข์ตลอดไปขณะใดาจิตที่รู้อยู่ภายในจิตจิตรตวงนี้รู้ภายในมันเป็นมรรค แต่ถ้ามันส่งออกไปรู้ข้างนอกมันก็เป็นสมุทยัยขณะใดที่จิตสงบสว่างลงไปแล้วไปเห็นภาพนิมิตต่างๆนั่นมันรู้นอกรู้นอกแล้วมันก็เกิดสมุทยัยไปเกิดความยินดียินร้ายกับสิ่งที่รู้นอกจากจะยินดียินร้ายแล้วยังไปยึดว่เป็นของดีวิเศษเช่นอย่างนักปฏิบัติไปเที่ยวอวดกันบางทีหลวงพ่อมีคนไปเที่ยว ก็ไปนั่งกำหนดจิตามาตรวจดูภูมิจิตภูมิใจหลวงพ่อพอเลืมตาึ้นวันนี่หลวงพ่อจิตใจมัวหมองมีอะไรมากระทบหลวงพ่อก็ทักว่าเออคุณเอ้ยคุณจะมาเที่ยวแช็คจิตเช็ใจของฉันทำไมาทาไมไม่ดูจิตใจตัวเองว่ามันทุกข์แค่ไหนเป็นนี่เขาทั้งสองสามแสนเมื่อไหร่จะหาเงินใช้ให้มันพ้นทุกข์สักที ก็เลยไปชี้ถูกจุดเข้าก็เลยยอมเป็นสิทธิ์นี่คือคนคือความรู้นอกถ้ารู้นอกแล้วมันไปเที่ยววิจารณ์คนโน้นวิจารณ์คนนี้ไปตำหนิคนโน้นไปตำหนิคนนี้ในที่สุดก็ไปตำหนิลัทธิการปฏิบัติของคนอื่นเขาเมื่อเขาไม่ปฏิบัติเหมือนอย่างเราว่าเขาปฏิบัติผิดถ้าใครปฏิบัติเหมือนอย่างเราก็จึงเรียกว่าปฏิบัติถูก อารมณ์ของการปฏิบัติกรรมฐานนี้ไม่มีเฉพาะแต่ในคำทีเท่านั้นแม้ว่าใครจะไม่นึกถึงอะไรเป็นแต่เพียงพยายามทําจิตทําใจให้มันรู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจเพียงแค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานแล้ว หรือถ้าใครไม่ทำอย่างนั้นมานั่งหลับตากำหนดดูอารมณ์จิตของตัวเองอยู่ไม่ต้องนึกคิดอะไรอะไรเกิดขึ้นมารู้อะไรเกิดขึ้นมารู้อะไรเกิดขึ้นมารู้แค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติสมาธิทีนี้บางท่านมานึกว่าการทำสติรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทาพูดคิดแล้วมันเกิดอารมณ์กรมานขึ้นมาแล้วเป็นการปฏิบัติรมานมันจะไม่ง่ายเกินไปหรือ โธ่ oh, ใครว่ามันง่ายนั่งบริกรรมภาวนาหลับตาอยู่ยังง่ายกว่าใครที่สามารถทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนี่เป็นดีพิเศษที่สุดเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติประเภทนี้จะไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่และไม่เกี่ยงว่าเราไม่มีเวลาปฏิบัติเป็นการฝึกทำสติตามรู้ รู้สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องจิตของเราเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทําพูดเป็นเรื่องของกายคิดเป็นเรื่องของจิตกายจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรจิตจะคิดอะไรมีสติรู้อยู่ทุกกิริยาบทตัวสติที่รู้นั่นแหละตัวรู้นั่นแหละตัวตามรู้นั่นแหละกําหนดดูให้ดีตัวรู้นั่นแหละคือตัวพูดโท พุโทโธที่ท่านนึกในใจที่บริกรรมภาวนาพุโทโธนั่นมันเป็นแต่เพียงคำพูดแต่เมื่อจิตู้รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีและตามรู้เรื่องของกายเรื่องของจิตของตัวเองอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนั่นแหละคือตัวพุโทโธที่แท้จริงเมื่อเรามีสติู้อยู่กับตัวของเราเองอยู่กับจิตของเราเองเราก็รู้ความจริงของกาย รู้ความจริงของจิตและก็รู้ความประพฤติของตัวเองว่าอะไรขาดตก บ, บกกร้องเราจะได้เพิ่มเติมให้พอดีอะไรมันเกินก็จะได้ตัดทอนลงให้พอดิบพอดีอยู่ในลักษณะแห่งความเป็นกลางเมื่อเราฝึกจิตกับอิริยาบทดังที่กล่าวตติสัมปชัญญะดีพร้อมจิตก็มีสติ ระคับระคองรู้อยู่ที่จิตตลอดเวลาเป็นสติวินัยอยู่หนักเข้าจิตก็กลายเป็นตัวปกติกลายเป็นศีลมีศีลมีสัต์มีสุตสตะมีปัญญามีจาคะะซึ่งมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติปัญหาอยู่ตรงที่ว่าต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเท่านั้น นั่นเป็นหลักปฏิบัติธรรมโดยตรงอาตมาได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติสมะถะวิปัสสนากรรมฐานว่าถึงธรรมะสิ่งละอันพันละน้อยพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้คณะท่านเจ้าภาพ บำเพ็ญกองการกุศลเพื่ออุทิศเป็นดอกไม้บูชาพระคุณของพระอาจารย์เพื่องพูดถึงแก่มรณะภาคไปแล้วโดยวิสัยของสิทธิ์ผู้กัจันยุกตะเวทีด้วยอำนาจแห่งกุศลเจตนาอันดีนี้จงช่วยดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายทุกท่านจงประสบความสำเร็จ ในการปฏิบัติธรรมในที่ทุกสฐานตลอดการทุกเมื่อโดยเนยะดังเทสนามาเอวังก็มีด้วยประการลชสนิ